จะต้องมีตัวตนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเมื่อเข้าใจจุดนี้แจ่มแจ้งดีก็ขอให้พิจารณาดูว่าในขณะที่วิญญาณมาปฏิสนธิในท้องแม่คือปฏิสนธิในไข่ที่ผสมเอาไวล้วนั้นตอนนั้นวิญญาณย่อมมีอำนาจสูงมากเพราะไม่ถูกใช้ไปทางอื่นเลยซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าเครื่องร้าภายนอกไม่กระทบกระเทือนถึงวิญญาณอันนั้นเลย